บรรดามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยผู้เจ้าสัตว่าเนี่ยแบ่งเป็นสี่จำพวกพวกแรกนี่ไม่ทําทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านพวกที่สองทำประโยชน์ตนแต่ไม่ทําประโยชน์ท่านพวกที่สามเนี่ยไม่ทําประโยชน์ตนนะแต่ว่าทําประโยชน์ท่านพวกที่สี่เนี่ย ทำประโยชน์ตนด้วยแล้วก็ทำประโยชน์ท่านด้วยในบรรดาสี่จำพวกเนี่ยนะพเจ้าสรนเสริญบุคคลประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือทำทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเนี่ยนะมีความหมายกว้างนะ เริ่มตั้งแต่การมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยการมีกินมีใช้มีครอบครัวดีมีงานการที่ดีแต่ว่าประโยชน์ตนเนี่ยมีความหมายมากกว่า น, นั้นด้วยที่พูดมาเนี่ยอาจจะว่าเป็นประโยชน์ทางโลกนะแต่ว่ายังมีประโยชน์ทางธรรมนะที่จัดว่าเป็นประโยชน์ตน ก็คือการที่บุคคล น, นั้นมีศีลมีธรรมมีจิตใจที่ส ง, งบมีจิตใจที่จันสายเบิกบานมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตรวมไปถึงการที่รู้จักแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ให้กับตนเองได้ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ในทางจิตใจนะเวลาทุถึงประโยชน์ตนเนี่ยและพุทธเจ้าสรรเสริญเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเห็นแก่ตัวนะที่จริงความเป็นแก่ตัวนี่นแหละที่เป็นการบั่นทอนประโยชน์ตนใครที่มีความเป็นแก่ตัวมากเนี่ยมันก็ประโยชน์ตนก็จะถูกบั่นทอนนะเพราะว่า เปิดช่องให้กิเลสมารบ ก, กวนรังควานและทำให้และชักนำให้เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งนอกจากจะเป็นการเชื้อเชิญความทุกข์ความเดือดร้อนใจในกระตนแล้วก็ยังนำไปสู่ความทุกข์ในวันหน้าตายไปแล้วก็ยอมไปสู่ทุกขติไม่ใช่สุกติ แต่ไม่ต้องรอให้ตายหรอกนะเพราะว่าในกณะที่มีชีวิตยอยู่นี่ก็ในความเพียงกับตัวมันก็เหมือนกับเพลิงที่เพลาพรานใจนําไปสู่การเหยียดเรียนผู้อื่นบันทอนประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ตนไปพร้อมๆกันอพมาัม้นเวลาพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยนะมันไม่ได้มาถึงความเห็นกับตัวตรงข้ามเลยทีเดียว ประโยชน์ท่านก็เหมือนกันนะประโยชน์ท่านนี่ก็มีความหมายทั้งในแง่ของการมีสุขภาพดีนะการมีกินมีใช้กินอื่นนอนอุ่นรวมไปถึงการมีจิตใจที่สงบเจนไม่ถูกกิเลสเผาลนจิตใจรวมไปถึงการที่มีปัญญาเข้าใจความจิตของชีวิต เพราะว่าถ้ามีปัญญาเข้าใจคอาอยู่งนชีวิตเนี่ยไอความทุกข์ที่จะเกิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือเกิดเพราะความหลงมันก็เกิดขึ้นได้น้อยพูะสุาติหลวงพ่ออรหันต์เนี่ ย, าายท่านก็เป็นบบอย่างหนึ่ของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอย่างถึงพร้อม ถ้าเริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ตนนะจนกระทั่งพ้นทุกข์พอหมดกิเลสหมดอาสะวะแล้วดังนั้นจึงเข้าถึงความสงบเย็นเนื่องจากไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีเมตตากรุณา อย่างไม่มีประมาณจึงสามารถบาเพ็ญประโยชน์ท่านได้อย่างมากมายเพราะนั้นเนี่ยพุทธคุณหรือว่าองคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เด่นชัดจึงมีสองประการนะก็คือปัญญาคุณแล้วก็กรุณาคุณส่วนพิสิทธิคุณนี่ก็เติมมาทีหลัง ปัญญาคุณเนี่ยนะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะที่ทำให้พระองค์เนี่ยเข้าถึงความพ้นทุกข์นะได้เข้าถึงความสงบเย็นอันประเสริฐและกรุณาคุณก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทางมนุษย์และเทวดา ทั้งปัญญาคุณและกรุณาคุณเนี่ยท่าเจ้าพุทธทาสก็นำมาพูดอีกแง่หนึ่งนะซึ่งนะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นน่าจะเป็นจุดหมายของชีวิตได้นะก็คือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ เมืจาวพุทากล่าวว่าเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเนี่ยก็จากวก็เป็นประโยชน์ตนนะแล้วมันไม่ใช่แค่สงบเย็นเพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบแต่ทางตรงข้ามแม้มีสิ่งมากระทบนะแต่ว่าใจก็ไม่กระเทือนไม่กระเพื่อมนะเพราะว่า ได้เข้าถึงนะสัจธรรมจนกระทั่งจิตเนี่ยไม่มีความยึดติดถือมัน่นถ้าจิตยังมีความยึดติดถือมัน่นมีอะไรมากระทบที่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ใช่แค่ร่างกายของเราแต่ร ว, วมถึงทรัพย์สินของเราคนรักของเราการงานของเรา พักพวกพี่น้องของเรารวมทั้งความคิดอุดมการของเรานั่นก็ย่อมเกิดความทุกข์เกิดความรุ่นร้อน<ม>ต่อเมื่อจิตใจได้เข้าถึงความจริงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นเป็นราเป็นของเราได้ กลสอาสวะก็ไม่สามารถจะมารบกวนรังควานและความทุกข์ก็ไม่สามารถจะมาบีบพันจิตใจได้อันนี้เราเป็นความสงบเย็นอย่างลึกซึ้งแต่ถึงแม้ว่าจะยังไปไม่ถึงภาวะเช่นนั้นเนี่ยในการที่เรารู้จักฝึกจิตให้มีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวมีสมาธิที่มีปัญญาเนี่ย มันก็ช่วยนำพาให้ชีวิตจิตใจเราเนี่ยเข้าถึงความสงบเย็นได้โดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องมาอยู่ป่าหรือต้องมาหลีกเล่นไม่มีสิ่งมารบ ก, กวนเระะนั้นถ้าเราเข้าใจคาว่าสงบเราเข้าใจคำว่าประโยชน์ตนเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ย ไม่เพียงแต่แขยันขันแข็งในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพแต่รวมถึงการมีความมั่นเพียรในการฝึกตนทั้งด้วยการรักษาศีลการเจริญสมาธิแล้วก็การเจริญปัญญาให้งอกงามจริงๆแล้วเนี่ย ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องคนละส่วนนะไม่ใช่ว่าต้องเข้าถึงประโยชน์ตนก่อนนะแล้วจึงค่อยไปทําประโยชน์ท่านบองคนไปเข้าใจาว่าต้องดับทุกข์ให้ได้ก่อนต้องเข้าถึงนิพพานก่อนแนะจึงจะไปทําประโยชน์ท่านได้ อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทีเดียวเพราะไปคิดว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันที่จริงมันไปได้วยกันได้นะอย่าที่เราบำเพ็ญประโยชน์ตนเหตุใจเจริงงอกงามมากขึ้นนะเราก็มีความพร้อมในการที่จะไปทําประโยชน์ท่าน ตามกำลังสติปัญญาของเราถ้าไปเข้าใจว่าเนี่ยต้องถึงพร้อมซึ่งประโยชน์ตนก่อนแล้วจึงจะไปทําประโยชน์ท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยทั้งชายคงจะไม่ได้ทําประโยชน์ท่านเลยเพราะว่าไม่เข้าถึงหรื อ, อยังเข้าไม่ถึงพระนิพพานเสียทียังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ดับกิเลสอย่างสินน้นเะชิงนะเสียที มันไปด้วยกันได้นะประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านนี่ในที่เราบาเพ็ญประโยชน์ตนเนี่ยมันก็สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ท่านได้เช่นถ้ า, าว่าเราขัดเกลาจิตใจด้วยด้วยศีล น, นะ แล้วก็ฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาฝึกจิตให้มีสติมีขันติเนี่ยไอ้การที่เราจะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันช่วยทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงกิเลสเบาบางลงมันก็ทาให้เกิดความกรุณานะที่อยากไปช่วยเหลือผู้อื่น และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าว่าเราบาเพ็ญประโยชน์ท่านเนี่ยมันก็สามารถจะก่อให้เกิดประโยชน์ตนได้ตั้งแต่ระดับพื้นพื้นนะหรือว่าประโยชน์ทางโลกประโยชน์ึงประโยชน์ทางธรรมหรือประโยชน์ทางจิตใจมีพู้หญิงคนหนึ่งนะเธออายุไม่มากเลยก็บอกว่าติดเชื้อ h อ v อกับสามีหลังจากนั้นเนี่ยสามีก็ป่วย เธอก็ดูแลสามีจนเสียชีวิตเธอเองก็กลายเป็นผู้หญิงติดเชื้อนะแต่ว่าเธอก็นึกถึงคนอื่นนะซึ่งอาจจะประสบชะตากรรมเดียวกับเธอแล้วก็รวมไปถึงคนที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้ออย่างเธอได้ เธอก็เลยไปเป็นวิทยากรนะวิทยากรเพื่อแนะนำผู้หิงติดเชื้อให้รู้จักดูแลรักษาตัวเองและเดียวกันก็มีกำลังใจในการประกอบอาชีพการทำงานเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะคนที่ ถูกเปิดเผยว่าติดเชื่อชัยวีเนี่ยก็มักจะถูกสังคมรังเกียจเจอก็นึกถึงคนเหล่านั้นที่ลําบากทีแรกก็ไปเป็นวิทยาก ร, รให้คำแนะนําผู้หญิงที่ติดเชื้อตอนหลังก็นึกไปถึงเด็กเยาวชนนะที่อาจจะมีโอกาสติดเชื้อเพราะว่าไม่มีความเข้าใจในเรื่องโรคเอหรือว่าการดูแลรักษาตัวเองอย่างถูกต้อง เธอไปวิทยากรไปตามโรงเรียนต่างๆด้วยเพราะวิทยากรให้กับเด็กเยาวชนตามหมู่บ้านต่างๆแล้วตอนหลังเนี่ยก็ขยายไปนะไม่ใช่เพียงแต่ว่ารู้จักดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชือ้อแต่ว่าเธ อ, อยังมองว่าเนี่ยที่เด็กผู้หญิงเนี่ยติเดเชื้อก็เพราะไปขายบริการที่ขายบริการก็เพราะไม่มีความรู้เธอก็เลยเนี่ย ไปเป็พี่กอกรณ์แนะนำเรื่องการหาไรายได้การประกอบอาชีพเพื่อได้ไม่ต้องไปลงเอยด้วยการเป็นผู้หญิงบริขายบริการแล้วก็ติดเชื้อมาให้กับคนอื่นตนัวร่าก็ทำกิจกรรมหลายอย่างที่ขยายไปสู่ชุมชนต่างๆทำมาสิบกว่าปีนะ โดยที่สุขภาพเธอก็ไม่ได้ย่ำแย่และเธอก็ไม่ได้กินยาต้านเชื้อมากเท่าไหร่เลยหลายคนเนี่ยพอติดเชื้อไปได้สุขภาพแย่แนละ้วแต่เธอนี่เหมือนคนปกติทั้งที่ทำงานเยอะก็มีคนถามเธอว่าเนี่ยพี่เนี่ยทางานเยอะแบบนี้พี่ไม่กลัวป่วยเหรอเธอตอบดีเธอบอกว่าเนี่ยถ้าพคิดถ้าพี่คิดเหี่ตัวเองเนี่ย ที่ป่วยไปนานแล้วในการที่เธอคิดถึงผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองด้วยนะทำให้สุขภาพดีทำให้ไม่เครียดทำให้มีความสุขซึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงนะกายและใจเนี่ยให้มีภูมิต้านทานห้เชื่อ HIV ได้ ในการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยนะมันก็สามารถจะส่งผลดีนะกับตัวเราเองได้อันนี้ก็คล้ายกับผู้หญิงคนนึงนะเธอเป็นจิตอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กในบ้านปากเกร็ดนะบ้านปากเกร็ดนี่ก็มีเด็กที่ถูกทิ้งหรือว่าพ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูก็มาให้ทาง บางปักตินี้เขาเลี้ยงแต่เจ้าที่เขาไม่พอนะเขาต้องมีต้องการศาสสมัครจิตอาสานี่ไปช่วยเล่นกับเด็กบ้างอุ้มเด็กบ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กบ้างเพราะเด็กก็มีหลายวัยตัวเธอเองเป็นไมเกรนนะแล้วก็เป็นอย่างแรงปวดหัวมากต้องกินยาประจําแต่เธอก็มีใจนะไปเป็นจิตอาสาอาทิตย์ละสองครั้งทําไปได้ทั้งสสาม สองสามอาทิตย์มัง้งเธอก็สังเกตว่าเนี่ยวันไหนเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเนี่ยให้กับเด็กเนี่ยวันนั้นเธอจะลืมกินยามามาเอกใจก็หลังจากที่ผ่านไปแล้วสองสาอาทิตย์นก็แปลกใจทํำไมไม่กินยาเพราะเธอกรอกินยาประจําทุกวันเนี่ยพบ ว, ว่าที่ลืมกินยาเพราะมันไม่ปวดทำไมถึงไม่ปวดนะเพราะว่ามีความสุขที่ได้ไปเป็นจิตอาสาให้กับเด็ก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะประโยชน์ท่านเนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้กับเป็นประโยชน์ตนได้ประโยชน์ตนในที่นี้คือสุขภาพนะที่ดีขึ้นหรือว่าความเจ็บปวดที่ทุเลาลงแต่บางคนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจนะย่างมีจิตอาสายคนนึงนะเป็นผู้ชายเนี่ยก็ตามภรรยาไปเป็นจิตอาสายกับบ้านปักเกตเหมือ น, นกัน แอบกวนใจร้อนนะลูกน้องนี่กลัวเพาโดนดา่าเป็นประจำแต่หลังจากที่ไปเป็นจิตอาสาอยู่พักหนึ่งนะสองสามเดือนเนี่ยลูกน้องเห็นความเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ใจเย็นลงแกก็เลยสังเกตเออเราใจเย็นใจเย็นขึ้นนะหลังจากไปเป็นจิตอาสา ก็ถามใจถามไปว่าทรไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่ก็พบว่าเนี่ยเวลาไปดูแลเด็กเนี่ยมันต้องอดทนนะต้องมีความอ่อนโยนต่อเด็กในความใส่ใจต่อเด็กเนี่ยมันช่วยขัดเกลาจิตใจเขาให้มีความอ่อนโยนเพราะว่าจะทำอะไรบุ๋มวามตามใจไม่ได้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะไปช่วยช่วยเด็กนะ เด็กกับช่วยทําให้จิตใจเขานี้อ่อนโยนใจเย็นหลายคนพบเลยนะว่าพอมีจิตอาสาเนี่ยใจเย็นสุขุมมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นคือมันช่วยขัดเกลาจิตใจได้นะนการทําเพื่อผู้อื่นหรือการบําเพ็ญเพื่อกับผู้อื่นนี่มันช่วยลดความเห็นแก่ตัวลงอันนี้เรียกว่าทําประโยชน์ท่านเนี่ยก็ ส่งผลเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ตนได้ขาดจากการถ้าเราทำประโยชน์ตนเนี่ยมันก็ช่วยทำให้การบาเพ็ญประโยชน์ท่านเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีงามนะคนที่รู้จักขัดเกลาตนเองรวมทั้งรู้จักทำใจให้สงบเป็นสมาธิมีสติเนี่ยเมื่อเข้าไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ย มันจะช่วยหนุนให้การทำงานนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีคนจำนวนมากเลยนะที่ไม่สนใจเรื่องการทาประโยชน์ตนเนี่ยนึกถึงแต่การไปช่วยเหลือผู้อื่นนึกถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมนึกถึงการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากแต่ว่าทำไปทาไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเสียสูญเพราะว่าเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจ อ, อความล้มเหลว บางทีเกิดความหงุดหงิดเกิดความขับแฉนบางทีก็ไม่ได้พักเลยกลายเป็นเสียศูนย์ไปบางคนนี่ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะเพราะว่าเจอความผิดหวังนะเจอความไม่สมหวังมากมายพุ่มเทไปเท่าไหร่เนี่ยก็กลับไม่เกิดผลหรือผลเกิดตรงอีกข้ามมีเยอะเลยนะ แตนะ่ถ้าเกิดว่ารู้จักฝึกตนนะฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีสมาธิอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยทำให้ความกัดกลุ่มรุ่มร้อนเนี่ยมันบรรเทาเบาบ า, บางลงยิ่งถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจในในความจริงของโลกนะก็จะทำให้ไม่รู้สึกท้อใ้ผิดหวังนะกับอุปสรรคกับความล้มเหลว และการเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันทําให้ไม่ไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมฝ่ายบวกหรือโลกธรรมฝ่ายลบเพราะถ้าหวัน่นไหวกับโลกธรรมเนี่ยมันก็ง่ายนะที่จะเป็นทุกข์เมื่อเจอความล้มเหลวเมื่อเจอความผิดหวังหรือเวลาได้รับความสําเร็จได้รับคําชื่นชมสารเสริญก็ จ, จะหลงตัวลืมตนนะไปเพื่อเพความสําเร็จ คำสารรเสริญซึ่งก็ง่ายมาที่ทำให้คลายเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นอุดงคติก็มีคนโดไม่น้อยนาะที่ทำไปแล้วเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะว่าไปหลงติดกับคำกับความสำเร็จกับผลประโยชน์ที่ได้คนเราถ้าไม่ขัดกลาตนเองนะการที่จะพ่ายแพ้ต่อตัอตนหามานาทิฏฐิเนี่ย ก็ง่ายมากนะาสนาคือความอยากได้ได้รลบผลประโยชน์อยากได้ผลประโยชน์ก็ทำให้ทุจริตบ้างละหรือว่าขายอุ ด, ดมการขายอุ ด, ดมกติบ้างละหรือว่าถ้าติดในชื่อเสียงมาณะเพิ่มพูนก็กลายไปว่าทำเพื่อ ส่งเสริมอัตตาของตัวเองได้อำนาจก็หลงติดในอำนาจแล้วก็กอบโกอยอำนาจมาให้ตัวเยอะๆก็ทะเลาะบบาแวงหรือขัดแย้งกับผู้คนหรือกําจัดฝ่ายตรงข้ามโดยเพราะถ้าว่าติดยึดในทิฏฐิใครที่คิดตายอยู่ตัวก็น่าจะเป็นเพื่อนน่าจะเป็นคนใกล้ชิดก็กาจัดออกไป ก็กลายเปรว่าแทนที่จะทำเพื่อส่วนรวมก็กลายเป็นว่าทำเพื่อตัวเองหาประโยชน์เข้าตัวเพราะตกกิริยาหน้าของตันหามานาทิฐิอันนี้เพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนนะโดยเพราะการขัดเกลาจิตใจไม่ใช่แค่ลดความไม่แก่ตัวนะแต่ว่ารู้จักเข้าถึงความสงบเย็นคนเราถ้าเกิดความสงบเย็นแล้วเนี่ยมันก็ มีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะไม่โหอยหาความสุขจากภายนอกไม่เป็นคําชื่นชมสรรเสริญอํานาจหรือว่ากิจติยศหรือว่าผลประโยชน์นั่นจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าว่ารู้จักขัดเกลาหรือเข้าถึงประโยชน์ตนนะในการทําประโยชน์ท่านเนี่ยมันก็จะไปไปในทางที่ถูกต้องนะแล้วขณะเดกันเมื่อบําเพ็ญประโยชน์ท่านแล้วเนี่ยถ้าทําด้วยความจริงใจนะมันก็ส่งผลให้เกิดประโยชน์ตน ในทาตรงข้ามนะถ้าทําแต่ประโยชน์ตนแล้วก็ไม่บําเพ็ญประโยชน์ท่านเนี่ยบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัวก็ได้นะมีนักปฏิบัติทำจำนวนมากเลยนะที่เอาแ ต, เาแต่เอาแต่ปฏิบัติแต่ว่าแม้ลัผิดชอบต่อส่วนรวมบางรายเนี่ยมีมีบางรายนะน้องชายเนี่ยป่วยหนักเป็นมะเร็ง ไม่มีคนดูแลพยาบาลเนี่ยก็พยายามติดต่อพี่สาวให้มาช่วยดูแลน้องชายเพราะน้องชายไม่มีใครแล้วพี่สาวเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ที่หนึ่งนะพอพยาบาลติดต่อไปนะก็ปฏิเสธนะบอกว่าเขาทุกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาแต่ฉันก็จะปฏิบัติธรรมของฉันไปฉันไม่สนใจนะมาดูแล ให้ถ้าขาดขาดน้ำใจไม่มีน้ำใจเนี่ยแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวเช่นน้องหรือพี่เนี่ยอย่างนี้จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องได้อย่างไรบางคนเนี่ยเอาแต่ปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าไม่สนใจพ่อแม่เลยนะพ่อแม่ลำบากยังก็ไม่สนใจไม่คิดจะช่วยงานบ้านหรือแบ่งบาภาระของท่าน คิดอย่างเดียวว่าจะเอาบุญมาฝากอย่างเดียวนะเท่าบุญมาฝากพ่อแม่นะแต่ว่าไม่มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือท่านอย่างนี้มันแสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะยิ่งทำเนี่ยยิ่งเห็นแก่ตัวเพราะว่ากลัวความสงบในจิตใจมันจะกระทบกระเทือนสื่อหนังเทีิสูรนะว่าการปฏิบัติธรรมของเราเป็นการปฏิบัติจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าก็คือ นะการไปช่วยผู้อื่นถ้าใจมันขัดขืนไม่ยอมช่วยผู้อื่นไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่มันแสดงว่าอันนี้ยังปฏิบัติไม่ถูกหรือยังยังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวซึ่งก็มีเยอะนะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะว่านึกถึงแต่ประโยชน์ตนนะแต่ว่าไม่ได้สนใจประโยชน์ท่านเพราะในแงาเนี่การบำเพ็ญประโยชน์ท่านเนี่ยมันช่วยลดความเห็นแก่ตัวและทําให้การบําเพ็ญประโยชน์ตนเนี่ย มันเป็นไปอย่างถูกต้องส่วนในพุทธโฆษาจารย์ท่านท่านพูดสรุปเอาไว้นะถึงชีวิตของชาวพุทธที่พึงระ ล, ลึกนึกถึงเนี่ยที่เราเป็นอุดมกติก็ได้ท่านบอกว่าเนี่ยสุขสั้นๆนะอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกแปลว่าจะให้ตัวอยู่ในโลกเนี่ยแต่ให้ใจเนี่ยอยู่เหนือโลกหรือเหนือโลกก็ทำนะลาบดสุขสารเสริญก็ ไม่ได้เพลิดเพลินลงไหลนี่เราว่าอยู่เหนือโลกก็ทำแต่ว่าเกื้อโลกนะคือเกื้อกูลต่อผู้คนใจเหนือเพราะว่าเข้าถึงประโยชน์ตนนะส่วนเกื้อโลกเนี่ยคือการบำร็งประโยชน์ท่านก็ตรงกับที่ท่าจาพูดท่านนะพูดสรุปว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ให้เราเราลึกนึกถึงกันไว้นะถามตัวเราเองว่าเนี่ยตอนนี้เราเข้าถึงความสงบเย็นเป็นประโยชน์ไหมถามตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราใจอยู่ในใจเหนือเกลอโลกหรือเปล่าหรือว่าได้สามารถจะบําเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดนะความเป็นชาวพุทธหรือว่าความกล้ า, นาในการปฏิบัติธรรมของเราได้มาเยี่นในพุทธนี้ น, นะ